การสวดมนต์ไหว้พระนี่มีในสงฆ์มหาศาลถ้าบ้านใดสวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอเทปเจ้าจะสิงสถิตเหมือนอย่างวัดอภูวันเขาเจริญพรเทวดาต้นพิกลมาชวนแม่ชีสวดมนต์หนึ่งปีสวดได้หมดโดยแม่ชีอ่านเงซื้อไม่ออกเลยสวดมหาเมตตาใหญ่แม่ชีได้หมดเลยทั้งภูตธรรมคุณทั้งคุณพางมะกาได้หมด นี่ไตเตอร์นใทนทางฟังว่าการเจริญพุทธมนต์ทําให้เทพเทว า, าราขาทุกแกลงละบ้านนั้นจะเป็นฉลิมนงคลถ้าสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยไม่จําเป็นต้องศาสนาพุทธศาสนาไหนเขก็สวดมนต์ไหว้พระทั้งนั้นแต่พระของเขาตางคนต่างนับถือพระเอาเจนเป็นอิสลามก็สวดมนต์ไหว้พระสวดตามแบบของเขาส่วนคริสก็สวดมนต์ไหว้พระพระของเขา